ฟังเทศถ้าหากฟังรู้เรื่องเข้าใจการฟังธรรมเทศนาจะทําใจของเราให้ฟองใสเบิกบานหันสาราเรืองอยู่ตลอดเวลาถ้าหากฟังไม่เข้าใจก็จะเป็นเรื่องง่วงทำให้ซึมให้เมาให้ ง, ง่วงก็จะมีความเน็ดเหนื่อย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 ฟังเป็นนั่นให้ฟังให้ถูกคนทางทางที่ถูกที่จริงแล้วการฟังธรรมเทศนานั้นอย่าให้ฟังส่งออกไปนอกถ้าส่งออกไปนอกแล้วจะไม่ได้รู้ของจริงไม่เห็นของจริงพระพุทเจ้าท่านเทศนาไม่ได้เทศให้ออกไปนอกไม่ได้ส่งออกไปนอก ทุกๆคนพากันฟังธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าตรัสคนนับเป็นนับหมื่นนับแสนก็ดีพระองค์ชี้เข้ามาในตดวงของเราทุกๆคนเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมเทศนานับเป็นเรื่อยๆพันนับเป็นหมื่นหมื่นนับแส น, แสนก็จะไม่มีการแย่งชิงซึ่งกันและกันไม่เหมือนกันเราแจกของ อย่างแล้วแจกของปล่อยของอย่างนี้แลหละพอเห็นชิ้งให้ก็เลยจะพากันชิงกันเอาบางคนก็จะได้มากคนบางคนก็จะได้น้อยหรือบางคนได้ของดีบางคนไม่ได้ของดีจะเกิอดอิจฉาหรือขุยหักกันในกันเป็นเรื่องทะเลาะกันส่วนการฟังธรรมเทศนานั้นไม่ใช่เหมือนกับของแจกไม่ใช่เหมือนกับแจกของสิ่งของ แทนที่จะเป็นการแจกเลยกลับเป็นการชี้เข้ามาหาตัวของตนว่าของท่านทั้งหลายมีแล้วทุกคนไม่ใช่ของไม่ใช่ไห้พระพุทธเจ้าท่างปรัเทศนาว่าอัคตาโลจะตถาคาตาปฏิสนนาประโมกขันจจะพระพุทธเจ้าเป็นไดเพียงคู้แนะนําชี้วิถทางบอกให้ พวกท่านทั้งหลายพากันฟังแล้วได้ความเข้าใจปฏิบัติตามหากจะพ้นจากทุกข์ไปอีกฟังดูคำข้อนี้ก็พอจะสนิทฐานได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้แบ่งฟันไม่ได้แจกธรรมะให้เป็นเด็ก ช, ชี้เฉยๆคำว่าชี้นี่ชี้คือของมีอยู่ก็ดูที่ เราชื่ อ, อะไรก็ตามถึกชี้ใครดูนะ่ะชี่อของไม่อยุงนั้นของไม่มีไปชีอยังไงไม่มีใครชี้ได้หรอกของมีอยู่มีอยู่ที่ไหนก็ชี้เข้ามาในตัวของเราที่มีอยู่แล้วในตัวงเราทุกๆคนหากหากเราเห็นแล้วเราปฏิบัติตามเราเป็นคนคนจากถูก เราฟังเพื่อเฉินกใ็ใครใคล้ายๆกับว่าพระเดจ้าเป็นคนแจกธรรมะแบ่งปันธรรมะให้อย่างเราจะเห็นได้เช่นเราสมทานศีนลพระผู้เจ้าไม่ได้ให้ศีลพระไม่ได้ให้ศีลถ้าพระเอาศีลให้พวกอริยโยมถ้าก็หมดศีลให้ทุกวันทุกวันก็เลยหมดจ้ะความจริงถ้าไม่ได้ให้ ท่านบอกให้เรางดเว้นด้วยจากโทษนั้นโทษหาโทษแตปปะการนี่จะวเวลาท่านให้สินไม่ได้แต่ภาษาเราพูดกันว่าถ้าให้สินคำสมมติบัญญัติอันนี้ละ่ะมันเลยไปเข้าใจผิดแค่แต่ความจริงหาได้เป็นเท่านั้นไม่คือบอกให้เรงดเว้นห้จากขามชั่ว คือโทษ น, นั้นนั่นชั้นเดียวงิก็เที่ยวพุทธเจ้าท่านเทศนาอันนี้ก็เรียกว่าเทศนาเหมือนกันคือให้สิทธิน์นี่ธรรมะที่พุทธเจ้าท่านสอนพวกเราก็สอนขี้เข้ามาในตัวของเราทุกๆคนซึ่งมีอยู่แล้วในตัวตนของเราทุกๆคนนี่ว่าจะพาะทั้งเรื่องการปฏิบัติธรรมที่จะอธิบายในวันนี้น่ะปฏิบัติยังไงปฏิบัติธรรม คือดังกล่าวแล้วว่าธรรมมียูในตัวของเราทุกๆคนธรรมที่มียูในตัวของเรานั้นบัญญัติให้มีชื่อสมมุติให้เข้าใจเรียกว่าธาตุขันอายาตนะธาตุขันอายาตนะนี่เป็นที่ตั้งและที่เกิดของปัญญา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 ดังภาษาโบราณทั้งเคยพูดกันว่าคนที่มีปัญญาคือคนช่างคิดช่างกรองคนที่กลึกที่กรองเคยช่างคิดช่างนึกอย่ง น, นั้นเขาเรีวคนมีปัญญาภาษาเป็นบุรินบางของเราก็พากันพูดกันอยู่ถ้าคนใดไม่คิดไม่นึกไม่กลุดไม่กรองเห็นก็ไม่รู้จักคิดฟังก็ไม่ได้รู้จักนึก ไม่รู้จักคิดไม่รู้จักนึกอะไรรูยไม่มีปัญญาการที่รู้จักคิดจางนึกรู้จักพุผลปัญญานี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาปัญญาเกิดได้เพราะการเจริญ อ, อันนี้เจริญตรงไหนล่ะคะนี่ไม่ใช่เจริญที่ภายนอกการเจริญภายนอกคิดนึก ในการที่จะประกอบจิตการงานนั้นเนี่อะไรต่างๆทุกสิ่งทุกประการที่เราทำออกไปนั้นก็เป็นการเจริญปัญญาเหมือนกันแต่ในทางพุทธศาสนาท่านใให้เจริญอย่างนั้นให้เจริญเข้ามาในตัวของเราดังตั้งบทไว้เบื้องต้นตั้งรักเอตั้งที่จะให้เกิดบ่อกเกิดของปัญญาที่อธิบายฝันเบื้องต้นว่ามาติกีนีว่าธาตุขันธ์อายุนะอินทรีย์ ตัวของเราทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าธาตุสี่เอาตั้งตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละพิจารณาตรงนี้แหละถ้าหากเราไม่ได้ยินได้ฟังและเราไม่เคยคิดเคยพิจารณาแล้วก็จะเห็นเป็นตัวตนคนเราคนหนึ่งคือตัวของเราเนี่ยว่าเป็นตัวคนถ้าหากว่าเรามาทิ้งคำว่าคนนึกว่าตนว่าตัวลองลอ ง, ลองดูีกครับ มันจะเป็นอะไรกานี่จะเป็นก้อนอะไรกันกม่ิจฉะรือคนก็จะไปพูดสัคนก็จะไปพูดสักอันนี้จะเป็นตัวอะไรกันกัมมิจฉะอันนี้อันที่ไม่มีชื่อไม่มีสมุตดนี่แหละแต่มันปรากฏอยเดีนี่แหละถ้าเราทิ้งชื่อสมุติเนี้ยแต่็จแล้วนั้นตั้งใจมาคิดคิดเจรนาจึงจะเกิดปัญญา น้ำมาดูตัวนี่อันตัวก้อนตัวเนี่ยเป็นตัวอะไรกันแน่ <_ d un> เมื่อเราได้เคยได้ยินฟังทำคำสอนของพรูที่เจ้าแล้วเราเข้าไปคิดค้นไปเจรนานดังเราพากษ์จัดทยานอยู่แล้ววะที่มาฉมิงกายเยเกศาโลมาแนะขาชัางชาตชโจไ ล, ล่เราไปดูสิอันนั่นกับเป็นผมอันนั่นกับเป็นขนอันนั่นกับเป็นเล็บอันนั่นกับเป็นฟันอันนั่นก็เป็นหนัง มาแยกเอาทั้งหมดเลยคนไม่มีไม่ทราบไปไหนทั้งหมดไม่มีคนตกลงว่าเป็นอาการสามทสองทั้งสามที่สองประการนี่แหละแยกไปธาต4สี่คือสิ่งที่มันแข็งคนแต่เป็นธาต ด, ดินจ้ะ เห็ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเ อ, อน็นกระดูกเยื่อในกระดูกมากหัวใจตาพังผืดให่ใหญ่เทนออาหารหมายทางเกา่าทิศแต่นี่เป็นดินดินมีลักษณะพิษแต่กันไม่ต้องดูอื่นไกลนะไม่ให้จิดส่อมัยที่อื่นอะ่ะดูเฉพาะผมถ้าขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นมีลักษณะพิษแต่กันแต่ให้สมมติสมมุติว่าดิน บรญัติวัดดินาะเป็นสิ่งที่แข็งปรากฏแขงค้นปรากฏเรียกว่าธาตุดิสสิ่งที่มันเหลวเรียกว่าธาตุน้ำคือน้ำดีน้ำเลือดน้ำน้องน้ำเหลืองน้าเผือน้ำไข่น้ำดีน้ำสลิดน้ำมูดมีในตัวของเรานี่ นี่เรียกว่าธาตุธาตุน้าธาตุลมคือลมขึ้นข้างบนก็ดีลมลงข้างล่างก็ดีคนเฒ่าคนแก่คงจะเห็นชัดเลยหรอกเรีอกลมขึ้นข้างบนมันทาให้มืดหน้ามืดตามันเลิกมันไยเกียนออกมานะี่ยเรียกว่าลมขึ้นข้างบนลมลงข้างล่าง เพื่อมันขับให้ปัสสาวะอาจจระถ่ายเทออกไปได้นาบายลมอันนกลมลงข้างล่างลมพัดไปในตัวคือว่าลมมันซ่านอยู่ตามตัวของเราคนเราเนี่ยมีลมซ่านๆไปทั่วทั้งทางกายระบายตามภูมิคุมนอันนี้ลมในตัวลมในใสในภูมิ ถ้าไม่เจ็บให้คัดให้อืดให้เฟอือท่องเพื่อท้องขึ้นด้วยระการดังต่างหาหน้ามันลมอยู่ในลำไส้ลมพัดไปในตัวลมหายใจออกหายใจเขา่าเป็นช่องระบายช่องใหญ่มีพัดผันไปมาทั่วสร่ละพางกายอันนี้เรียกว่าธาตุลม ธาตุไฟก็ไม่ปรากฏธาตุลมก็ไม่ปรากฏธาตุไฟคือทําให้เราอบอุ่นที่มีอยูตัวของเราทั้งหมดถ้าหากที่ไหนธาตุไฟไปไม่ถึงธาตุลมก็ไปไม่ถึงเลมก็ไฟมาตามมาไปดังเราหยุดเทียนธาตุลมไม่มีเทียนมันก็ไม่ติดก็ไม่ลุกไฟมันต้องอาศัยพวกไฟติดแล้วก็ชูให้ลมดึงเงินไปดึงดูดทนไป ไฟก็ลมมันติดกันไปมันอบอุ่นไปทั่วทั้งทางกายเพราะลมพัดผันไปมาทำให้ธาตุไฟอบอุ่นทั่วถ้าไฟไปไม่ถึงก็คือลมไปไม่ถึงนั่นเองมันทำให้เน็บให้เมือนืน้อให้ตายเย็นก็ได้างยาประการต่างๆอันนี้เรียกว่าธาตุไฟไม่ถึงไฟให้อบอุ่นทั่วอย่างกายของเรา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 ถ้าหากไม่มีไฟกองนี้เผาให้จะแรกก็แ ล, ลแล้วานะไม่ละลายหรอกอันนี้มีไฟกองนี้ละสำหรับเผาไฟอีกชนิดหนึ่งร้ายกาดที่สุดก็คือไฟย่างร่างกายของเราให้แหวงแหงช้ำรุดสุดโสม ไฟอันนี้ทำให้เราแก่เท่าสมรู้ทุกขโศกแหี่วแหงไปโดยลาดับอันนี้ไฟร้ายมากไฟอบอุ่นยังกายอบอุ่นไฟยังกาย ย, ง า, า, ายยังให้เผาอาหารให้ย่อยยับไปไฟที่เผาร่างกายแหวแห้งทุกโศก ไฟทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวงเราทั้งหมดเนี่ยถ้าหากเราพิจารณาอย่างนี้ทางลมทางดินทางนา้ําทางลมทางไฟมาพิจารณาตัวงเราแล้วเราจะมองเห็นตัวของเราเนี่ะเป็นโลกอันหนึ่งตัว่ามีดินน้ําไฟลมผสมกับเป็นก้อนขึ้นมาแล้วต่อทํางานตามหน้าที่ของมัน มีดินน้ำไปผสมกันแล้วก็ทำงานตามที่เขงมันเช่นเท้าเช่นมือของเราก็ดีที่เราจะกู้เหยียดได้ที่จะคึงจะขึงออกไปได้หรือประกอบการงานนั้นได้กระเพาะโมนี่แหละมันช่วยให้มันคล่องแคล่วแม่ที่สุดแต่อาหารที่อยู่ในกระเพาะของเราที่เราทานลงไป กรเพราะไไวทั้งหลายนี้เพราะลมทั้งหลายนี้แหละทําหน้าที่ของมันให้ย่อยยับซึมซาบไปตามเส้นประสาทษ์ทำชั้นทางกายของเราให้มีให้ชุ่มชื่นสดใสไม่แห้วแห้งน้ําไปหล่อเลี้ยงโดยที่เราไม่ได้นึกคิดเลยไม่ได้ประสงค์มเลโดยที่เราไม่ได้บังคับมันเลยแต่เขาทาหน้าที่ตามเรื่องของเขา สิ่งใดที่ควรจะเป็นไปเพื่อการหล่อเลี้ยงมันก็หล่อเลี้ยงไปตามเรื่องอันใดมันเป็นกากเป็นเศษมันก็ทับทับถ่ายออกไปตามเรื่องเข้ามันมันแน่เป็นไปตามเรื่อ ง, องมัถ้าหากเรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาชนิดหนึ่งถ้าหากจิตของเรารว ม, มันคือจิตของเราสงบไปพร้ อ, อมๆกันกับเราพิจารณาเลย จะมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาในขณนะนั้นอย่างน้อยที่สุดจะมีความรู้สึกว่าแปลกประหลาดร่างกายนี่เป็นของแปลกประหลาดมากหรือวิเจิตรนั้นเราจะเห็นร่างกายนี่เป็นเครื่องจักรโยนตลไใจอันหนึ่งซึ่งมันทำงานอยู่ตลอดวันขํามคืนงยี่สิบสี่ชั่วโมงอีกไม่มีหยุดเลยจากอันนี้นะั้นตั้งจะเกิดจนวันตาย ยุดเมื่อไรก็ตายเมื่อนั้นนี่จะเกิดความรู้แปลกประหลาดขึ้นมาเส้นของหน้าคิดเส้นของหน้าคิดเจร น, นาเส้นของแปลกประหลาดจริงๆคนเลยจะไม่มีอาะานนี่แล้วเป็นเครื่องจักรไปแล้วคนเลยหายไปเลยจะกลายเป็นโลกไปแล้วคนก็เลยหายไปจะเป็นเครื่องยนต์ไปอีกล่ะเหตุนั้นสมัยครั้งพุทธกาล โวหารของพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเห็นหน้าเห็นตากันท่านไม่เคยพูดท่านไม่ได้พูดว่าท่านสบายดีอยู่หรือหรือว่าท่านเป็นอะไรท่านมาอย่ากไหนท่านไปยังไงท่านไม่ได้ไม่พูดอย่างนั้นํานวนของพระอริยเจ้าท่านคือท่านไม่มีสมมติมัญัากท่านเอาของจริงนี่มาพูดท่านมัญยากขึ้นต่างหากท่านตามเป็นจริงสมมติขึ้นตามเป็นจริง คำว่าคนมันก็ไม่มีคําว่ามนุษย์มันก็ไม่มีเลยท่านเลยเปรียบพอเห็นหน้าเห็นตาเนีก็ทักทายกันสรีระยัตยนตังยนคือสรีระของท่านขามันในยังที่พออดกลั่นอยู่สรีระยัตยนตังยนคือสรีระของท่านน่ะ จัตุจักกังมีจัตติเข้ามานิยังพออดกลั่นลื้อนั่นท่าถามกันอย่างงี้ตาลีระยันตังจัตุจักกังนวะทวารังมีทวารเก่าเข้ามานิยังพออดได้หรือทำไมท่านยังถามกันกันท่านไปดูของจริงคือความจริงมันวะตาลีระนี้เป็นเรื่องหยนต์เป็นเครื่องยนต์จัตุจักกังมีจัตติคือได้เกีริยาบทสี่ เนืว่าทวารังมีทวารเก้าน่าดูสิทว่างเรามีเก้ามัดจังตัวข้ามันในยังเพราะอดทนทานอยู่หรือไม่เหมือนกับพวกเราทุกวั น, นนี้เนี่ยเพราะเราก็เห็นหน้ า, าตาสบายดอีอันนี้ผูต้ตวก็สบายมันโกหกกันทั้งเทส์อ่ะอันท่านความจริงแล้วโกหกกันทั้งเทส์ไม่ใช่ในความสบายไม่จากไหน เพียงได้ว่าพออดพอทนได้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นแ่ะไม่มีความสบายเราคนเราดังเคยอธิบายฟังมาแล้วอ่ะ <_ S 2> ทุกข์ดตลอด24ชั่วโมงแม้ที่สุดจะนอนหลับก็ยังมีทุกข์ตื่นขึ้นมารู้สึกขึ้นมากต่ทุกขนาดที่หลับหลับจะเก็งอย่างทุกข์คือมันยังกลับพิ่งไปมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะกิ่งกลับไปมา แต่ว่ามันผนได้ไหมมันผลไม่ไหวมันกลับตัวมันเองนี่แสดงไว้ทุกเต็มที่แล้วอดกั้นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นนะถ้าจะพูดถึงเรื่องลอเรื่องเปลี่ยนมันก็พิ้งไป้หมุนไปเราเดินไปเดินมาเนี่ยก็เมอนกับพิ้งไปหมุนไปแหลนะ ปัญญาที่เรามาพิจารณาอย่างนี้ให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาคิดแตกจากปกติเดิมคือความคิดนึกแต่คนเก่าเราเข้าใจว่าเป็นคนที่หลังถ้าหากเรามาพิจารณาดังอธิบาย น, นี้เกิด ค, ความรู้สึกขึ้นมาไม่ใช่คนแต่แล้วค่ะนี่มันเป็นเรื่องจักรแต่แล้วมันเป็นเรื่องยนต์จักคนไกลแต่แล้วเรื่องเป็นโลกอันหนึ่งแต่แล้ว นอกจากนั้นอีกหากคนจะมีปัญญาสอดแหลมเข้าไปอีกมันจะเห็นตัวตนคนทั้งหมดตัวของเรานี่แประกอบไปแล้วด้วยสภาพะปฏิกูลดังที่อธิบายมานะคมกับเรื่องของปฏิกูลโสโครคนเล็บวันหนังยิ่งแล้วกระดูก เนื้อเอ็นยิ่งเป็นของหนาปฏิกูลมากอาหารใหม่อาหารเก่าภายในยิ่งแย่ไงจำนวนโบราณท่านอธิบายว่าหลุมส้วมคนเรานั้นคือหลุมส่วมดีๆนี่แหละอุกขาลันตงังปะขาลันตงังไหลออกไหลเข้าของเก่าไหลออกไปของใหม่ไหลเข้าไปไหลก็นเยอะงั้น ไม่ใช่ไหมครับถ่ายไหลไปทางทวารหนักตามผมขนคุ้มขน ต, ต่างๆมันกระตุ้มชาบครับถ่ายครับถ่ายออกไปเชี่ว่าเหงื่อว่าถ่ายมันตั้งไปของปฏิคูนโดยส่วนเดียวเราไม่คิด้าพูดถึงเรื่องปฏิคูน่าเกยียดไม่อยากฟังแล้วไม่อยาพูดดวดแล้วไม่อยาคิดด้วยคือไม่อยากเห็นของจริงนั่นเอง ก็เป็นของเลวจช่ไลยไม่ได้ของจริงสักทีหากว่าเราสู้ตั้งใจที่จะพิจารณาของจริงแล้วจะเห็นชัดขึ้นมาพราะเป็นของปฏิกูลแท้ น, นี่เราเบือ น, นีใช่ไหไม่อยากเห็นของจริงพูดก็เลยไม่อยากพูดเล้นึกคิดก็เลยไม่อยากนึกอยากคิดจึงเป็นเรื่องปกปิดปัญญาไม่ให้เกิดความรู้ขึ้นมา เห็นตามไม่เห็นตามจริจริงคืออะไรหรือไม่เช่นนั้นถ้าหากว่าเราตั้งใจพิจารณาคิดมันอยู่กับที่สงบเป็นสมาธิไปพร้อมๆกันอาจจะเกิดของลูกมาอีกหลายด้านหลายทางเช่นเห็นเป็นของปฏิกูลแล้วยังไม่แล้วเห็นเป็นของปฏิกูลเหมือนกันเป็นเหตุให้เบื่อหน่าย เห็นเป็นก้อนทุกข์ทนทรมานเอาจริงๆจริงจังดังจํานวนพระเดจเจ้าท่านคานี้อย่างพออดกลั้นได้หรือคำว่าอดกลั้นได้ในกระหม่อมทุกเต็มทีแหละที่ค่อยต้องอดกลั้นต้องทนทุกข์แล้วสู้สู้กับทุกข์อ่ะเรียกว่าอดกลั้นเห็นเป็นก้อนทุกข์แล้วจะ ชังเวศสลดใจในตัวของเราเองบอกว่าแม้ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบันนี้คนทุกข์ก็ใจจริงแล้วจะเห็นขมโง่อของตันอีกเราเพลิดเพลินมัวเมาแต่นั้นแต่ใดทาไมนึกคิดว่ามันทุกข์อย่างนี้แต่เลยมาวันนี้เห็นชัดเสนอแ ม, ม่แม่ก้อนทุกข์จริงๆเราเพลิดเพลินลุ่มหลง ม, มัวเมานั้นเราไม่เห็นแล้มมวจึงค่อยหลงมวเมา เมายในปองทุกเครื่อเพลือยนในก้อทุกจริงๆใจเห็นความโง่ของตนเกิดขึ้นมาความฉลาดเกิดขึ้นแล้วก็เห็นความโง่ของตนแล้วครับถ้าความโง่ยังปกปิดอยูตดด่ตราบใดแล้วความฉลาดไม่เกิดเลยไม่เห็นความฉลาดสักทีฉลาดจะขนาดแกงโง่นั่นแหละฉลาดได้ก็ฉลาดไปเถอะ เห็นเพียงพวเปือกตนตื้อๆนั้นก็เผลนเะว่าตนเห็นแล้วว่าตนฉลาดแล้วตนรู้แล้วเพียงพอแล้วนานาฉลาดฉลาดแก่โง่ถ้าม่เห็นอย่างว่านี่ละมันตั้งโง่แทนโง่จะไม่โง่ไงนอนเฝ้ามาตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยพิจารณาเลยสักทีแ้วไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยสักทีจะไม่โง่ไง นี่แหละถ้าหากว่าเรามาตั้งหลักจับจุดอันนี้ได้แล้วมาตั้งใจพิจารณาธาตุขันธ์อันนี้ว่าเฉพาะถึงเรื่องธาตุคณะพูดถึงเรื่องธาตุไปธาตุสีน้ำไปลงแล้วก็ไม่ออ น, นี้กล้พิจากขันธ์เหมือนกันคือขันธ์นห้าขันธ์ห้าความหมายตัวรูปนี้แหละแล้วจะให้เกิดปัญญาอย่างที่วายอันนี้นี่มันต้องเข้ามาในอย่างนี้พยยิจารณาธรรมะ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 หายเด็ดขาดเลยก็โลกไปไ้ตัวธาตุสีไมจะโลกไปทำไมอสุภะพระดีกูลไม่จะหลงว่าตนสวยตนงามตนดีตนวิเศษวิโสอะไรว่าตนเส้นหนุ่มไม่แก่ไงอตะกอนดินแท้แท้ซ้ำนวนว่อหารท่านโบราณท่านแต่งไปคำโครงคำกรอ่อย อวดตนอวดดินพูดแยมหยาบนะพูดทังเรื่องของจริงอ่ะพูดถึงที่สุดเลยอวดจินอวดขี้อวดดีแกตายลองคิดดูสิไม่มีปัญหาอวดต้นอวดดินไม่มีปัญหาเลยก้อนดินทั้งก้อนเหแท่นเอาก้อนดินไปอวดเขาทําไมเอาตัวไปอวดเขาก็เรี้ยวเอาก้อนดินไปอวดทาง ก็อธิบายมาแล้วธาตุสี่คือก้อนดินเห็นชัดจริงๆคือก้อนดินแค่ okay. เอาก้อนดินไปโชว์บ้านโชว์เ ม, มืองเอาไงโง่แฉ่งโง่ของคนเราอายตนเองไม่ไปอวดไม่ได้หรอกยังว่าอวดตนอวดดินอวดจีนอวดฉีไม่มีปัญหาอีกเหมือนกันอันไหนก็เอาเถอะทานอะไรแดงไปเอาเถอะไม่เป็นอะไรหรอกมันเป็นอะไเดียวกันเน่ย ทานดีไม่ดีก็เป็นอันเดียวอ่ะเห็นนั้นถ้าหากเข้าใจทัดอย่างนี้แล้วทานอะไรก็เอาเถอะของดีของไม่ดีก็เอาจะเป็นของดีมีค่ามีคุณแล้วของไม่ดีก็าทานเพื่อยังชีวิตจะเป็นไปถ้าหากขาดอันนี้เสร็จแล้วหนะึ่งเป็นตายคนเนาะตกลงว่าต้องตายถ้าหากเรามาเข้าใจางี้แล้วคนเราทั้งโลก ตะแว่งหาตลอดยี่บสี่ชั่วโมงนักเอาเบ้าสู่ตลอดการเวลาหามาได้หาบำรุงอันเดียวคือ ก, ก้อนเดียวนี่แะไม่ได้หนีจากนี่หรอกแล้วจะรู้สึกตนละอายตนเองมันตั้งบำรุงของไม่ดีจริงๆนี่มันเป็นอย่างนี้เลวถ้าหาพิจารณาทำมันต้องไปงถ้าพิจารณาถึงเรื่องโลกแล้ว หากินและหาทานของอะเร่อยของมีค่ามีคุณประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆไปไม่ใช่แต่เพียงว่าจะเจอห า, าบํารุงให้มันยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นยังจะไปอวดโขคนนั้นคนนี้อีกจ้ะคุยโม่ใหญ่โตของศาลไฝใหญ่ไลยโตนี่มันออกไปนอกทํามันไม่เป็นธรรมมันต้องไปให้กันท่า น, นี้มันก็เลยเป็นเรื่องหามากเลยขันีหาน้อยไม่พอ โอ้เท่าไรก็พออวดเท่าไรกไ็พออวดใหญ่โอ้ใหญ่หญแล้กลายเป็นเรื่องลำบากยากยุ่งไปใหญ่ตเขท่านในกรนีเดียกันเมาอยู่คนเดียวเรื่องเราเมาวันเดียวน่นะเมาวันไม่มีประโยชน์ถ้าหาเราพิจารณาธรรมะดังอธิบายวันนี้แล้วจะมีความเพลินสนุกในเรื่องการคิดพิจารณาปัญญาจะเกิดความผองใส แลพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าสะสมอบลมเจริญปัญญาปัญญานี้เป็นปัญญาเพื่อค้นทุกปัญญานี้เพื่อจิตใจฟองใสไม่ได้โอ้อ ว, อวดผู้ใดปัญญานี่เป็นปัญญาเพื่อความบริสุทธิ์ไม่ได้มีกิเลสเข้าไปแทรและใจอยู่เย็นเป็นสุขทั้งตนและคนอื่น อยู่ไปชั่ววันวันได้รับความสุขเมื่อเรากล้าเสียซึ่งความถือตนอาขังการมังการมันก็ไม่มีการกระทบคนนั้นคนนี้มันไม่เดือดร้อนจากคนอื่นเราถ้เย็นคนอื่นก็จะบางโลกทั้งหลายถ้าฝึกหัดได้งั้นมันก็อยู่เย็นไป็สุขมดทั้งโลกอันนี้คนเราจะไปะหาแก้ทั้งเรื่องภายนอกมาแก้ไม่ไหว อย่างวะแกให้อยู่ดีกินดีอะไรรัฐบาลที่พากันประกาศโฆษนานะเนี่นให้อยู่ดีกินดีถ้าว่าไเงลองคิดดูที่อยู่ดีทีน ด, ดีอยู่การธรรมดาหามันก็ต้องมีการกระทบกระเทือนกันกันนะครับการค้นด่างก็สแสวงหาเดียกันทั้งนั้นใครก็อยากได้ใครก็หาหาเท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่านี้ว่าจะพอยังไม่พอได้เท่าไหร่กันยังไม่พอสักทีเลย กับพระเหตุที่ความถือตนถือตัวอวดดีอวดเด่นมันยังคอยเป็นเหตุในทะเยอทะยกยิ่งย่อยิ่งขึ้นมาเมื่อย่อยิงถน ong ด้วยกันมันก็เป็นเรื่องกระทบกันเบียดเบียนกันกั น, กนแต่ถ้าเหยียดหยามคนที่จนคนทุกข์มันจะได้ความสุขมาจากไหนแบก น, นั้นเรื่องทับมถมซึ่งกันและกั น, ก น, นนั้นทำโมหะเวรคติธรรมจารี พระพุทธเจ้าทั้งต่เทศนาว่าทำโมหะเวรกติธมจาติผู้ใดมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่หรือคือรักษาธรรมะอย่างที่อธิบายานี้่เรียกว่าปฏิบัติธรรมทำย่อมตามรักษาค น, นให้ได้รับปมสุขทุกคนหน้าพากรรมีธรรมเป็นเครื่องรักษาแล้วได้ความสุขทุกๆคนแล้วมันจะสุขหมดทั้งนที น, น, นี่ คนอื่นบางทีมีคนที่เข ร, รักษาความสุขมีธรรมในเครองอยู่คนนอกนั้มันไม่มีธรรมในเกรืองอยู่มันก็กระทบกระเทือนนะเบียดเบี่ ย, ยนกันกับคนอื่นเน่ะคนที่มีธรรมต่อเลยพอยอยู่ไม่ได้อีกตั้นานนะเขาเพราะอาจทํามันมากกว่าทํามันก็เลยวุ่นไปตามกันยากเหลื อ, อยากที่จะทนทานใหม่มนุษย์ชาวโลกจะเป็นกองจริงจริงเป็นเรื่องถูกมาก เห็นนั่นยังพากันบอมลุงคือเจริญเม็ดไในเจริญปัญญาดังเทอธิบายมานี้การเจริญปัญญาถ้ามันมีที่ตั้งแล้วมันมีที่พิจรารณาไม่มีเครื่องวัดดังนัเจริญสรรมถาก็ลุมนิดเหมือนกันคือมายึดเอาตัวนี้แหละพิจรารณานี่แหละพอเราพิจรารณาแน่วอยู่ในนี้ทีเดียวนั่นเป็นตัวธรรมถากไม่หนีไปจากอื่นไม่หนีไปจากตัวไม่หนีจากกาย พิจารณาธาตุสี่เนี่นั่ไปรมนังอธิบายนั่งก็ดีหรือว่าพิจารณาเห็นอนุภัตว์ปฏิกูลก็ดีหรือจะพิจารณาเห็นโทษทุกข์ของไม่เที่ยงในจั้งฐานร่างกายก็ดีเมื่อเราพิจารณาแนวอย่างอารมณ์เดียวก็เรียกว่าสมถะความรู้แจ้งชัดตามเป็นจริงมันก็เกิดปัญญาพัฒนามาแา่เดียวกันนั่นแหละอยู่แห่งเดียวกันนั่นแหละเหตุนั้การปฏิบัติให้มันมีหลักให้มันมีเกณฑ์ ถ้าปฏิบัติไม่มีหลักมีเกณฑ์เนี่ยงมงายทําไปส่วสี่ส่วนห้หยิบโน่นสวยนี่ใครว่าดีตรงไหนก็วิ่งไปใครว่าดีอะไรก็เอาวิ่งไปหยิบมาแล้วเรามันไม่ดีมันก็นเลยไม่ดีสกักทีเราไม่ถูกมันก็นเลยไม่ถูกสกักทีความเป็นจริงธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนดังอธิบายเนี่ยเป็นของถูกแล้วแต่ตัวเรายังทําไม่ถึงและทําไม่ถึงถูกคือเรายังกระจับกระส่ายวิ่งโน่นวิ่ง น, น, งนี่อยากได้ดี ให้ทนอกท่านใจไปรเดียบประดาวนั่นเมื่อมันไม่สมประสงค์กันเลยเลยวิ่งหาสิ่งอื่นอีกต่อไปอั้นแบบนี้เอาเถอะไม่ว่าธรรมะธรรมะัมโมไม่ว่าสิ่งใดแต่งพวกหมดละ่ะหยิบนู้นเฉือนี่ละ่ะไม่มีหลักมีฐานละ่ะเรียวกว่าคนจับจดไม่สําเร็จประโยชน์หรอกถึงแม้จะอาชีพทั้งโลกก็เอาเถอะจับจดจะไม่สําเร็จประโยชน์แน่นอนการศึกษาเราเรียนก็ไม่สำเร็จประโยชน์แน่นอนการวิทยาธรรมะก็ไม่สําเร็จ เหต น, นั้นจึงพากันตั้งหลักฝักให้มันแน่ตั้งมันอยู่ในทีน่นี้อย่างน้อยที่สุดก็เรียกว่าเราถูกวันทางแล้วถึงเราจะมันเป็นก็จะไปทิ้งทางนี้เรียกว่าถามันถูกแล้วนี่แหละธรรมะที่อธิบายมาในวันนี้เพื่อให้จับหลักนี้ให้มันได้เอาไปเปิดพื้ปฏิบัติตพุกผหัดหากยังมานั้นถึงขั้นนั้นแ่ก็จะไปทิ้งหลักนี้พราม่จริงเป็นของถูกแล้ว ผู้ใดเรียกท่เทศนาไว้อย่างนั้นให้พุทโนอบรมตรงนี้ที่เรียกว่าสติปัฏฐานสีก่ก็คือกายาเวทนาจิตตาธรรมานี่แหละไม่ใช่อื่นที่ใดให้ตั้งหลักนี้ให้ปักลงให้ามันหนักแน่นแน่วแ น, วแนว่ไปตรงนี้แล้วถ้ายังไม่ทันเป็นก็อย่าไปทอดทิ้งแล้วอย่าไปทำความอย่าไปทำใจร้อนขอให้ยึดว่าถึกถูกแล้วถูกอยู่แล้วหนทางแต่เรายังไม่ทันถูกคือเรายังใจร้อน ช่วไม่ไดแทนปล่อยวางอารมณ์อื่นเรายังมุ่งโน้นมุ่งนี่และสงสัยลังเลอยู่ถ้าทางเราเชื่อมั่นว่าไม่ลังเลสงสัยแล้วอันนี้ถูกต้องดีแล้วล่ะมันก็เป็นการทอดละปล่อยวางเออรื่องอารมณ์อื่มันกันแน่วอย่องเดียวก็มีวันที่จะให้ถึงข้อประสงค์ในการที่เรปฏิบัติ